ผู้ที่เข้ามาสู่วัดวาอารามนี้ก็ต้องเป็นผู้ไปธรรมะจึงเข้ามาถ้าผู้ไม่เรือมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เนือก็ไม่ไม่เข้ามาเพราะว่าในวัดนี้เราก็รู้กันอยู่ว่ามันไม่มี อะไรที่เป็นจุดมุ่งหมายอย่างอื่นนอกจากการทาบุญการฟังธรรมการฝึกตนเพราะวัดโดยเฉพาะอารยญญิกาวาสเป็นสถานที่สงบสงัดไม่ได้มีหมู่ชนหมู่มากพุกพ่านไม่มีเสียง เอือยึงต่างๆมารบ ก, กวนสำหรับผู้ที่มุ่งความสงบทางขีดใจแล้วก็ย่อมพอใจในสถานที่เช่นนี้ถ้าพูดอย่างสั้นๆลงมาแล้วก็ผู้ใ ด, ดเบื่อต่อความฟุ้งซ่านวุ่นวุ่นวายต่างๆ ในโลกมุ่งความสงบเป็นที่ตั้งเมื่อมาที่สุสานที่เช น, นี้แล้วก็ย่อมได้ความสงบใจจริงๆเพราะว่าสถานที่เช น, นี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสเสด็จประทับแต่เมื่อตอนพระองค์ยังทรงพระชนม์สีบอยู่ ออกพรรษาแล้วก็พาพระสาวกที่ออไปอยู่ตามในป่าเขาลำนาวไผไปตามที่สงบสงัดต่างๆเมื่อประชาชนที่อยู่ใกล้ได้ทราบข่าวเข้าก่อผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าก็ยินดีเลื่อมใสได้ดอกไม้ทูบเทียน ไปสักการบูชาแล้วก็ฟังธรรมอันนี้เป็นกิจวัตรของพระพุทธเจ้าทรงปโปรดสัตว์โลกตามที่พระองค์เจ้าได้ท ร, ทรงตั้งปณิธานความปรารถนามา ในวัตาสงสารอันนี้ก็ปรารถนาที่จะได้รื้อสัตว์ขนสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากทุกภายในสงสารอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้สัต์รู้แล้วพระองค์จึงไม่ได้เสวยวิมุตติสุขอยู่โดยลำพังก็ยับยั้งอยู่ที่เก่าก็เวลา เข้าพรรษาเท่านั้นเองเมื่อออกพรรษาแล้วก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปบำเพ็ญพุทธกิจยังอีกสิบห้าวันถึงจะเสด็จพระองค์ก็ทรงแจ้งแก่พระสงฆ์ล่วงหน้าไว้ถึงสิบห้าวันเพราะตามธรรมดาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหน มันต้องมีพระสงฆ์ตามสเสด็จอย่างน้อยก็ห้าร้อยรูปอ น, นันพระสงฆ์เมื่อได้ทราบข่าวว่าพระองค์จะเสด็จโปรดเรนญาสัตว์ทั้งหลายท่านผู้ที่ปรารถนาจะติดตามพระองค์ก็ได้พากันเย็บผ้าตัดผ้าเลยทำกิจที่ควรทำซักผ้ายอมผ้าจัดแจงบริหารให้เรียบร้อย ไว้พอถึงวันนั่นมาแล้วพระองค์ก็เสด็จไปอันนี้เป็นพุทธกิจของพระพุทธเจ้า <c oughs> ดังนั้นการที่เราเกิดมาในภายหลังไม่ได้พบองค์พระพุทธเจ้าเมื่อเราฟังประวัติความเป็นมาของพระองค์แล้ว ก็จะเป็นเครื่องปลุกใจของเราให้ตื่นขึ้นทําความเพียรเพิ่มความเชื่อความเลื่อมใสให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อได้ทราบว่าพระพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์ได้ดสัตว์รู้แล้วคนทั้งหลายก็จะเข้าใจว่าพระองค์สบายอยู่สบายไปสบายอะไรอย่างนั้นไม่เช่นนั้นหรอก พระองค์ก็ลำบากกลา ก, กรรมเหมือนกันเพราะว่าได้ทรงโปรดเวดายศัตว์ทั้งหลายผู้มีอุปนิสัยวาสนาบารมีถ้ามาต้องขายพยานของพระองค์แล้วจะอยู่ไกลอย่างไรพระองค์ก็ยอมเสด็จไปโปรดอย่างนั้นแม่คนเดียวก็ยังเสด็จไปโปรด หากว่ามีอุปนิสัยวาสนาแรงกล้าที่จะได้บรรลุมรรคผลในชาตินั้นอย่างลูกสาวของช่างคอหูกคนหนึ่งอยู่ในเมืองอารวีนั้นลูกสาวของช่างคอหูกนั้นเมื่อพระ อ, องค์สเสด็จไปเมืองเวสารีในครั้งแรกไปได้ไปฟังธรรมกับเพื่อน ธรรมเทศนากันนั้นพระองค์ทรงแสดงมรณสติกรรมฐานทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นมีสติกำหนดนึกถึงความตายโดยนึกว่าชีวิตนี่เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเมื่อตายแล้วย่อมทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในโลกนี้ ตัวดวงจิตดวงเดียวเท่านั้นท่องเที่ยวไปในสงสารแม้ร่างกายอันนี้ก็ทอดทิ้งไว้ในพื้นดินนี้สิ่งที่ติดตามดวงจิตไปก็คือบุญและบาปเท่านั้นเองครับดังนั้นผู้ที่มามองเห็นชีวิตมีประมาณน้อยอย่างนี้แล้วแล้วความตายนั้นเป็นของแน่นอนเช่นนี้ก็ไม่ควรที่จะ สะสมบาปกรรมไว้ในตนถ <c oughs> ิงได้เป็นบาปเป็นโทษแล้วควรพยายามละเว้นเพราะว่าการเที่ยวเกิดเที่ยวตายไปในวัฏสงสารนี่ถ้าหากว่าได้บุญกุศลติดตามไปก็มีความสุขสบายมากแต่ถ้าได้บาปติดตามไปก็จะได้สวยแต่ทุกข์ทนทรมาน พระศาสดาทรงเอ็นดูสงสารสัตว์โลกทั้งหลายไม่อยากให้ได้พบกับความทุกข์ดังนั้นพระองค์เจ้าจึงมีอุบายแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้มาเจริญมรณาสติกรรมฐานนี่เป็นอารมณ์เพื่อเราจะได้มองเห็นชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียว แล้วก็จะได้รีบเร่งบำเพญ็ญกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ให้ประมาทแล้วจะได้พยายามชำระจิตใจของตนให้มันสะอาดปราศจากบาปประทำกรรมอันชั่วต่างๆเพราะเวลาที่จะได้อยู่ในโลกนี้มันน้อยเหลือเกินเวลาไม่มาก ผู้ใดรู้ตัวแล้วอย่างนี้ก็พยายามสํารวมตนเข้าไปอย่าไปทําความชั่วอั น, นเพราะความชั่วนี่มันนําทุกข์เป็นผลมาให้แก่ผูก้กระทาการทําทความดีก็ น, นําสุขอันเป็นผลมาให้มันชีวิตของคนเรานี่นะ ม, มันมีสุขมีทุกข์เป็นคู่กันอย่างนี้ มูลเหตุมันก็มาจากบุญและบาปถ้าผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วพยายามขาจัดบาปออกไปจากกายวาจาใจให้มากที่สุดหรือให้หมดได้ยิ่งดีนะฮะมันยังเหลือแต่บุญอย่างเดียวอยู่ในใจทําได้อย่างนี้ผู้นั้นก็จะไม่มีบาปติดตามไปแล้วถ้าถึงแม่จับ ละโดกนี้แล้วยังจะต้องไปเกิดใหม่อีกโย่เราก็ได้บุญกุศลเป็นพาหานะนำไปสู่สถานที่มีความสุขความเจริญอย่างยิ่งจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทนี่มันก็มีอยู่สองปร ะ, ประการ คือถ้าทงพิจนาเห็นบุคคลเหล่าใดเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่แล้วอย่างนี้ก็ทงเลือกคัดจัดสันธรรมะที่จะแสดงให้คนเหล่านั้นฟังโดยเฉพาะเลยทรงรู้แจ้งในธรรมะที่จะแสดงให้คนเหล่านั้นฟังแล้วก็แสดงธรรมเหล่านั้น ให้ผู้มีวาสนาบา ร, รมีแก่กล้าเต็มที่แล้วนั้นได้ฟังไม่มากมายอะไรเลยจบลงก็ได้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษไปทีนี้ประการที่สองเมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าคนเหล่านี้อินทรีย์บา ร, รมียังอ่อนอยู่ถ้าจะพระองค์จะแสดงธรรมะอันลึกซึ้งอันละเอียดทุกขุมให้ฟังคงจะไม่เข้าใจ พระองค์ก็กำหนดธรรมะที่มันเหมาะกับจริตนิสัยของคนเหล่านั้นมาแสด ง, สงเป็นต้นว่าแสดงเรื่องการให้การบริจาคทานมีผลดีอย่างนั้นอย่างนี้การรักษาศีลได้บุญได้กุศลมากอย่างนั้นอย่างนี้การไหวพระภาวนาทาใจที่คงสั้นเลื่อนลอยให้สงบอนบว่าเป็นบุญเป็นกุศลไม่น้อย การเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นนี่นับว่าเป็นกุศลอย่างสูงบุคคลจะหลุดพ้นจากทุกข์ภัยในสงสารได้ก็เพราะปัญญานี่แหละถ้าปัญญายังไม่แกกล้าพอก็ไม่สามารถที่จะถอนรากของกิเลสตัณหาอุปทานต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ ดังนั้นก็จะผู้บาเพ็ญทั้งหลายก็จะต้องพยายามอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิสมาธินี่แหละเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาเมื่อเราได้ฐานที่ตั้งมั่นคงดีแล้ววันนี้เจริญปัญญาพินิดพิจารณาอะไรก็เห็นแจ้งประจักษ์ในเรื่องนั้นตามเป็นจริงได้ เมื่อได้อบรมปัญญาให้เกิดแล้วนะแต่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ภาวนาเมื่อทำใจให้สงบได้แล้วก็ยับยั้งอยู่ในความสงบนั้นพอสมควรต่อจากนั้นก็เริ่มพิจารณาฝึกปัญญาให้บังเกิดขึ้นเรายังไม่รู้แจ้งสิ่งใดเราก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาอย่างนี้แหละ เรียว่าฝึกปัญญาให้เกิดปัญญานั่นมันเกิดเพราะการประกอบการกระทําอุบายแยบภายในใจนั่นแหละเราอยู่เฉยๆจะให้ปัญญามันเกิดขึ้นนั้นไม่ได้มันไม่เกิดต้องอบรมจิตให้สงบตั้งมั่นลงไปแล้วก็หัดคิดหัดพิจารณาเหตุผลในเรื่องนั้นๆ ให้เห็นโดยแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงหัดคิดหัดพิจารณาบ่อยๆอย่างนี้แหละมันจะทำให้ปัญญาแหลมคมไปเรื่อยๆปัญญาจะไม่ทูเหมือนอย่างเราเอามีดไปลับกับหินลับบ่อยๆเข้าไปคมมีดมันก็บางก็คมตัดฟันอะไรอะไรมันก็เข้าได้ดี อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยปัญญานี่เมื่อเราหมั่นฝึกฝนเราหมั่นคิดมันวิจารณ์เหตุผลต่างๆที่ควรคิดควรวิจารณาหลายขัง้งหลายหนานเข้าไปปัญญามันก็แหลมคมขึ้นไปอย่างนั้นเลยเหมือนอย่างเราเอามีดไปรับกับหินรับนานๆนนไปคมมีดมันก็บางมันก็คมแล้ว ตัดฟันอะไรอะไรมันก็ขาดได้ดีอันนี้ทั้นใดก็อย่างนั้นแหละอันปัญญามันจะแหลมจะคมได้ดเพราะอาศัยเราทำใจเป็นสมาธิตั้งมั่นลงแล้วก็กำหนดใจพิจารณาเรื่องที่ต้องการอยากรู้อยากเข้าใจนั้นเรายังไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรในคำสอนของพระพุทธเจ้านะั้น แล้วก็กำหนดเอามาพิจารณาเช่นพระองค์ทรงสแสดงอริยสัจธรรมทั้งสี่อย่างนี้นะทรงสแสดงทุกขทรงสแสดงเหตุให้เกิดทุกขทรงสแสดงความดับทุกขทรงสแสดงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขเหล่านี้นะพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นสัจธรรม เป็นธรรมของจริง mm hmm. ก็ะเพาะคนเราไม่รู้จักทุกขไม่เบื่อหน่ายในทุกขดังนั้นจึงไม่รีบขนขวายสร้างบุญบารมีมัวแต่เพลิดเพลินมัวเมาไปในความสุขสนุกสนานชั่วคราวเสียเป็นส่วนมากปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปเสียเปล่าแต่ละวันและคืนไม่ได้สร้างบุญบารมีอะไร ลอยเสียใจให้ไปเกาะไปคล้องอยู่ในความเพลิดเพลินหรือว่าความสนุกสนานชั่วคลาวนั้นเสียเป็นศูนย์มากนี่นับว่าทําชีวิตให้เป็นหมันเป็นอย่างนั้นหะนั้นผู้ที่มามองเห็นชีวิตมีน้อยนิดเดียวเงี้ยมันก็เหมือนอย่างบุคคลเดินทางถ้ามองดูวแสงพระอาทิตย์มัน ต่ำลงต่ำลงมันจะรับภูเขาเรากอไปแล้วมันจะมืดแล้วกดเร่งเดินเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยเพื่อให้มันถึงจุดหมายปลายทางอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลมามองดูอัสภาพร่างกายที่ทนอาศัยอยู่เนี่ยมันก็ชุดโทมไปเรื่อยๆให้เห็นประจักษ์อยู่แล้ว เมื่อเข้าสู่วัยสามสิบปีสี่สิบปีไปแล้วร่างกายอันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปมันจะไม่เปล่งปลั่งอยู่เหมือนแต่อายุยี่สิบปีมาปรากฏว่าร่างกายนี้มักจะสูบซีดลงไปไม่ไม่เปล่งปลังอยู่เหมือนแต่ก่อนแล้วเลื้อความรู้สึก กำลังเรียวแรงอันใดกไ็ไม่ไม่สมบูรณ์เหมือนใจยังหนุ่มแน่นนี่ก็มาพิจารณาเห็นทุกในความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทให้รู้แจ้งในทุกข์หรือว่ารู้เท่าทุกขตามเป็นจริงจึงจะพ้นจากทุกได้ ถ้าหากว่าทุกเกิดขึ้นในกายในจิตแล้วก็กลัวทุกซะแล้วดิ้นรนกระสับกระส่ายไ ม, ไม่ไม่ไม่ตั้งใจจดจ้องดูทุกนั่นเสียเลยพอทุกกระทบ ก, กระทั่งเข้ามาใจก็ปลิวว่อนไปเลยอย่างงี้ก็ทุกมันก็ต้องติดตามไปเรื่อยอย่างนั้นแหละจะหนีไปไหนก็ไม่พ้น ไม่พทนทุกแน่นอนทีเดียวฮนะทางที่ดีแล้วพระศาสดาทรงสอนว่าทุก์น่ละไม่ได้เพราะมันมีอยู่ประจำขันห้าอันนี้เมื่อขันห้า น, นี่มีอยู่ตราบใดทกุก็ต้องมีอยู่ตราบนั้นทางที่ดีแล้วทรงสอนให้กำหนดรู้เท่าตามเป็นจริง เมื่อรูปนามนี่มันไม่เที่ยงก็รู้ว่ามันไม่ไม่เที่ยงยอมรับว่ามันไม่เที่ยงจริงๆไม่ได้ปฏิเสธความไม่เที่ยงของรูปของนามอันนี้นะอ้าวรูปนามหรือขันห้านี่มันเป็นทุกข์เราเพ่งดูอยู่ภายในแล้วก็เห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆยอมรับยอมรับรู้ว่าขันห้านี่เป็นทุกข์ทนได้ยากลาบากจริงๆ เนื่องมาแต่มันไม่เที่ยงนั่นแหละมันถึงได้ทนได้ยากลาบากอย่างนั้นเอารู้แจ้งว่าขันห้านี่เป็นอนัตตาจริงยอมรับเลยเพราะว่านามรูปหรือขันห่านี่ถ้าเป็นตัวเป็นตนจริงจังแล้วนี่ก็บังคับได้บังคับมาให้มันแก่เจ็บตายมันก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย บังคับม่ให้มันเป็นทุกข์มันก็จะไม่เป็นทุกข์นี่ถ้ามันเป็นตัวตนของตนจริงจังแล้วตนก็ต้องบังคับมันได้ตามใจหวังแต่นี่มันหาเป็นเช่นนั้นไม่อืาดวงจิตนี่มาอาศัยในขันห้านี่ก็ยังว่าสักแต่ว่าอาศัยจะไปบังคับบัรชายขันห่านี่ให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปแต่มันบังคับไม่ได้เลยอย่างนี้แหละ ดังนั้นจิตที่ได้อบรมดีมีปัญญามีวัยเย็บคลายในใจเกิดขึ้นอย่างว่านี่แหละมันก็เบือนะ่อนล้วเนี้ยเบือ่อได้ในขันห้านี้เพราะว่าอาศัยอยู่กับในของไม่เที่ยงจิตนี่ก็พลอยเป็นทุกข์ไปกับขันห้าเมื่อขันห้ามันแปรปรวนไปจิตที่ไม่รู้เท่าขันห้ามันก็แปรปรวนไปตามเสียใจเศร้าโศกไปตาม ก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยทีนี้เมื่อผู้จเจริญปัญญาวิปัสนาอิเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับรู้ว่าขันห่านี่เป็นทุกข์จริงก็มันไม่เที่ยงแต่มันก็ไม่ใช่ตัวตนขันห่าไม่ได้มีในตนตนไม่ได้มีในขันห่าขันห่าก็ไม่ใช่ไม่ได้เป็นตนตนก็ไม่ได้เป็นขันห่า เมื่อมันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นในใจอย่างว่านี้แล้วทุกน้มันจะดับไปหรือไม่ดับถึงจะรู้จะเห็นอย่างไรทุกของขันห้ามันก็มีอยู่อย่างนั้นเอาทอํายังไงอ่ะถึงจะพ้นทุกได้ก็กําหนดรู้เท่าเลยออืรู้เท่าตามเป็นจริงก็เมื่อ นามรูปนี่มันไม่เที่ยงเราก็รู้ตามสภาพความจริงอย่างนั้นว่าเมื่อมันไม่เที่ยงจริงๆเกิดมาแล้วมันก็แปรปรวนไปอยู่อย่างนี้แหละเมื่อขันห่านี่มันเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์มันทนได้ยากทนลําบากอยู่อย่างนั้นเอยอมรับสภาพของขันห่าว่ามันทนได้ยากจริงๆเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็จกบเจ็บนูน่นปวดนี่อะไดรต่ออะไรกีบตะา มันความแป ร, ป, รปวนของนามรูปอันนี้นี่แล้วเราก็ปล่อยให้ขันห้านี้มันแปรปวนไปแต่จิตไม่แปรปวนไปตามขันห้าจิตนั่นมีหน้าที่รู้แจ้งขันห้าอยู่ตามเป็นจริงอย่างนั้นไม่วันไว้ไปตามมันขันห้าวันไว้ไปจิตก็ไม่วันไว อย่างนี้เราจึงเรียกว่าจิตรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงกะเท่าว่ารู้เท่าขันห้านั่นเองเป็นงั้นแล้วก็พระพุทเจ้าตรัสว่าอะไรแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์กระทรงตรัสว่าตันหาแหลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตันหาอยากให้ร่างกายอยู่ยั่งยืนนาน ไม่อยากให้เจ็บไข้ได้ปลวยไม่อยากให้ล้มหายตายจากโรคอันนี้ไปง่ายๆความอยากดังกล่าวมานี่แหละเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วมันก็เป็นทุกข์แล้ววันนี้นะเช่อนอย่างว่าโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้นะอยู่ดีๆแล้วก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นปัจจุบันท่านรวนเลยมันก็ผิดหวังไปแล้ววันนี้นะ ถ้าผู้รู้เท่าแล้วมันก็ไม่โศกเศร้าเสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความทุกข์อันนั้นเลยเพราะเห็นแจ้งในขันห้าอย่างที่ว่านั้นเนี่ยก็ทุกข์มันก็มีอยู่ในขันห้าเมื่อเมื่อขันห้าไม่ได้มีในตนแล้วทุกข์มันก็ไม่ได้มีในตนเหมือนกันอย่างนั้นมันต้องกําหนดรู้มีอุบายเย็บคลายในใจอย่างนั้นนะ่ะ แล้วเช่นนี้บุคคลดวงจิตของบุคคลผู้นั้นก็นับว่าเป็นจิตอันสูงส่งเลยวันนี้นะอันเนี้เป็นจิตที่อาถรรพ์แกล้าเต็มที่เพราะไม่หวั่นไหวต่อทุกข์และไม่หวั่นไหวต่อตันหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเมื่อความอยากไม่มีความทุกข์ทางใจก็ไม่มี อใจจะเป็นทุกข์ก็เพราะมันอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดนั่นเองถ้าเจ็บไข้ได้ปวดก็อยากหายเร็วๆ เ, เมื่อมันไม่หายตามใจหวังก็เป็นทุกข์ร้องครวญครางดิ้นรนกระเสือกกระสนไปต่างๆ น, น, นานานี่แหละทันหาพระพุทธเจ้าตรานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะมันเป็นความจริงแทๆนะ้ๆถ้าควบคุมจิตนี้ได้ รู้แจ้งว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนแล้วอย่างนี้ก็จะไปบังคับไม่ให้มันเจ็บมันป่วยไม่ให้มันแตกทําลายนะมันไปบังคับได้อย่างไรอ่ะปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็ปรงก็วางขันห้านั่นลงได้อก็อยากให้ขันห้านี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่อยากอไม่คิดเลยเพราะว่าถึงคิดได้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวัง เพราะมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดขันหานี้นะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่สั้งอกสั้งใจเพืฝึกปฏิบัติตามคำสอนของพระเทเจ้าอย่างนี้นะไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามทางที่ จะต้องพ้นไปจากทุกข์ภายในสงสารนี่โดยแท้เพราะว่าเราดำเนินไปถูกทางดำเนินไปถูกทางอย่างไรก็ถูกและสิ่งใดมันเป็นจริงอย่างไรก็ตามรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นไม่ไม่ปฏิเสธหรือว่าไม่เพี้ยนไปเช่นอย่างว่าขันห้านี่มันเป็นทุก อย่างนี้นะเราจะไปเห็นด้วยว่าขันห้านี้มันเป็นสุขสบายอย่างนี้ไม่เป็นนะจิตไม่ได้เบี้ยวไปอย่างนั้นถ้าถ้าไปเห็นว่าขันห้านี้มีความสุขสบายดีมันก็มีความเห็นผิดไปจากความเป็นจริงนะเพราะความเป็นจริงแล้วขันห้านี้มันไม่ได้มีความสุขสบายอะไรนะถ้าลองไม่หล่อเลี้ยงด้วยอาหารการบริโภคสักวันสองวันดูสิ นั่นแหละขันห้านี้มันจะมีความสุขได้ไหมมีไม่ได้เลยเพราะรูป ก, กายอันนี้มันเนื่องอยู่ด้วยอาหารแท้ๆถ้าขาดอาหารสั ก, กวันหนึ่งสองวันแล้วเป็นป่วนปั่นวันไว้ไปเลยนี่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าเราจะไปหาโอความสุขกับขันห่านี่ไปได้แต่ที่ไห น, นเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลจะพ้นจากทุกข์ได้ ก็พอามารู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงแล้วไม่วันไหวไปตามขันห้าดังแสดงมาแล้วนั่นแหละควบคุมจิตอบรมปัญญาให้เกิดแล้วก็ใช้ปัญญาสอนจิตนี้ไปทุกวันทุกค์นสอนไม่ให้มันยึดไม่ให้มันหลงยึดหลงถือขันห้า น, นี่เมื่อเห็นแจ้งในขันห้าตามเป็นจริงอย่างไ้แล้วอย่างนี้ก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ อย่าให้มันเสือ่อมกำหนดที่เจรนาเวลาใดก็เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นอย่าให้มันเห็นว่าเป็นของเที่ยงของยั่งยืนไปอย่าให้มันเห็นว่าเป็นของสวยของงามไปก็เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะสวยงามมาแต่ไหนเมื่อเหตุปัจจัยที่บารุงขันหา น, นี่อยู่มันร่อยหล่อลงไปแล้วขันทางหา น, นี่มันก็ สุดทมลงไปปรากฏไปทีละน้อยละน้อยไปอย่างนี้เราก็เห็นกันอยู่ดาดืนนี้แต่เมื่อเวลาคนที่อายุตั้งแต่สิบห้าสิบหกปีถึงยี่สิบปีถึงสามสิบปีระหว่างนี้่ดูท่าผิวพรรณวันนะอะไรกับฟุดฟ่องร่างกายก็เปลง่งปังดีไม่ไ ม, ไม่ไม่ซุบสีดอะไรเลย ทันเลยนั่นไปแล้วเอาแล้ววันนี้นะปรากฏว่าร่างกายทุกส่วนนั่นเปลี่ยนแปลงไปแล้วสูบซีดไปแล้วไม่ไม่เปล่งปังอยู่เหมือนแต่ก่อนแล้วถึงแม้จะเปล่งปังก็ไม่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนแต่ยังหนุ่มยังแน่นอย่างนี้แหละแล้วก็เห็นได้ชัดๆอยู่นี้ เมื่อเข้าสู่วัยห้าสิบหกสิบก็ไปแล้วร่างกายในยิ่งเปลี่ยนแปลงไปมากไปเลยฮ น, นีผมเคยดำมาก็องอกขาวไปอย่างนี้แหละหูเคยได้ยินเสียงอะไรชัดเจนดีก็เกิดเป็นหูอื้อขึ้นมาฟังเสียงอะไรก็ไม่ค่อยชัดเจนตาเคยมองอะไรเห็นได้ชัดเจนมาแต่เมื่อ อยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางคนพอถึงวัยชราเข้ามาแล้วตาก็มัวไปพร่าไปมองอะไรก็ไม่เห็นชัดแจ้งตามเป็นจริง <c oughs> ก็อันนี้แหละความไม่เที่ยงของขันห้ามันก็แสดงให้ปรากฏอย่างนี้จริงๆนะ <c oughs> ถ้าว่าขันห้านี่มันเที่ยงแล้วมันจะไม่แสดงอาการอย่างนี้ให้ปรากฏออกมาเลย เราต้องรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้เราใช้ปัญญาโซนจิตใจเข้าไปทุกวันทุกคืนไปเช่นนี้แล้วราคะตัณหาความรักความชังอะไรมันก็เบาลงมันก็ไม่รุนแรงขึ้นมาได้เพราะมันเห็นสภาพความจริงของขันหานี้อยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นขันหาที่ตนอาศัยอยู่นี่แล้ว มันก็มองเห็นกันหน้าผู้อื่นก็มีสภาวะเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนี่มันจะแตกต่างอะไรเล่าเพราะว่าต่างรูปต่างนามก็มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนกันเมื่อเหตุปัจจัยมันล่อยหลอลงไปแล้วเช่นนี้รูปนามอันนั้นมันก็สึกหล่อไปตามกันนั่ น, นี่เหมือนอย่างร่างกายคนเรานี่แหละ อาศัยอาหารเป็นอยู่ได้มันถึงเปล่งปังมันถึงเอเป็นปกติอยู่ได้อย่างนี้นะแต่ถ้าลองงดรับประทานอาหารออกไปสักสองสามวันดูสิร่างกายนี้มันจะสูบซีดลงทันทีเลยเออมันเป็นอย่างนั้นมันจะอยู่ยั่งยืนไปไม่ได้เลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยร่างกายของคนเรานี่นะ แม้เราจะบำบูรุงปรนปื้มันด้วยปัจจัยสี่เช่นอาหารผ้าหนุ่งผ้าหม่มที่อยู่เดี่อาศัยยุกยาแก้โกครคภัยไข้เจ็บมนี่จะบำบรุงปรนปื้มันให้อยู่ดีกินดีสักเท่าไรก็ตามเมื่อวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปสังขารร่างกายของคนเรานี่ก็ร่วงโรยไปเหมือนกันเอืมใครจะอยู่ ปราสาทราชมนเทียนอันโอถงอันมีเฟอร์นิเจอร์มีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายให้อย่างพร้อมมูลอย่างไรก็ตามร่างกายนี้เมื่อเหตุปัจจัยที่บำรุงร่างกายนี้มันเสื่อมลงไปแล้วร่างกายนี้ก็ทุดโทรมไปตามกันตั้งอยู่ไม่ได้เลยใครจะรับประทานอาหารดีๆอย่างไรก็ช่างไม่ฟังนะนเง อันนี้แหละมันเป็นเรื่องของปัญญาเป็นอุบายสอนใจไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในขันห้าในว่าเป็นตัวเป็นตนจนลืมตัวไปว่าตนยังหนุ่มยังแน่นอยู่ไปนน่นคนลืมตัวอายุเข้าสู่วัยกลางคนหรือวัยชราแล้วอย่างนี้ยังสำคัญว่าเป็นคนหนุ่มอยู่ก็มีบางคนไม่ได้นึกว่าตนเป็นคนแก่ ยังไปเที่ยวหาความสนุกสนานกับคนวัยหนุ่มวัยกลางคนอะไรอยู่งั้นนะเห็นเขาแล้วหน้าสังเวชนั่นแหละบางทีคนหนุ่มแน่นผู้เขามีอุปนิสัยว่าสนาติดตามมาเช่นนี้นี่เขายังใฝ่ใจในศีลในธรรมแต่ยังหนุ่มยังแน่นยังสละเวลาเข้าวัด ว่าอารามไปสับตรับฟังคำสอนของพระติเจ้าแล้วฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปอย่างนี้นะก็ยังมีอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ใดถ้าหากว่าบุญวาสนาบา ร, รมีน้อยอย่างนี้นะถึงจะอยู่ไปอายุมากเท่าไรก็ตาม ก็หาได้รู้สึกสำนึกตัวไม่หาได้มีจิตใจฝักไปในศีลในธรรมไม่เพราะว่าเขาไม่มีบุญเก่ามาตักเตือนใจเขานั่นแหละอันจิตใจนี่มันต้องมีบุญกุศลหนหลังนะมาตักเตือนนะมาอุ้มชูมันถึงตื่นตัวได้มัจนจึงระลึกได้ระลึกถึงเบื้องหลังระลึกถึง การที่ตนต้องเคยทําบุญกุศลมาอะไรโมนี้นะระลึกได้ถึงระลึกไม่แจ่มแจ้งก็เลยว่าขออนุมานได้รู้ได้ตามที่กระแส จ, จิตของตนมันน้อมไปอ อ, อย่างนี้แหละเมื่อมันน้อมไปทางบุญกุศลบ่อยๆนั่นแสดงว่าบุญกุศลหนนหลังนลยนะมันมากระตุ้นออให้น้อมใจไปอย่างนั้น บุคคลผู้ไม่ได้ทําบุญกุศลไม่แต่หนหลังหรือทําไว้ก็ไม่มาก น, นิดหน่อยๆ อ, อย่างนี้นะมันก็ไม่มีกําลังอะไรที่จะมาตักเตือนจิตดวงนี้ให้ฝักใฝ่ในศีลทำบุญกุศลอะไรเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นคนบางคนบางพวกก็จึงไม่สนใจในเรื่องศีลเรื่องทำอะไรอะว่าอย่าง สนใจเรื่องบุญกุศลก็เดือนทีปีหนเอ้าทําบุญตักบาทรสักครั้งหนึ่งแล้วก็เล้ยวไปเลยซึ่งจะยินดีในการสรับรรฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่มีเลยอย่างนี้เป็นส่วนมากคนในโลกอันนี้นะดังนั้นจะว่าสรุปแล้วชีวิตของคนเรานี่นะ่ะที่มันจะ ข, ขมักขมันทํากุศลคุณงามความดี ก็เพราะอาศัยบุญหนหลังนั้นมาหนุนทรงบุคคลผู้ไม่ขมักขเม่นในการสั่งสมบุญกุศลก็เพราะผู้นั้นไม่มีบุญกุศลแต่หนหลังมาตักเตือนมาหนุนทรงเหตุนั้นจึงไม่สนใจในสินธรรมเมื่อเกิดมาในชาตินี้สนใจก็เพียงเล็กน้อยน้อยดังนั้นเมื่อพุทธบริษัทได้มาตรวจตราดูตนของตน เห็นว่าใจของตนนี่โน้มไปในทางศีลธรรมมากหอใจในการสั่งสมบุญกุศล ม, มากอย่างนี้นี่ก็ให้รู้ไว้ว่าแน่นอนนะเราต้องมีบุญกุศลที่ได้ทามาแต่ก่อนนั้นมาหนุนท่องทำให้ใจของเราโน้มไปทางศีลทางธรรมโน้มไปเพื่อละกิเลสปาประทรมให้น้อยเบาบางออกจากกิจใจโน้มไปเพื่อทำใจให้สงบระงับ น้อมไปเพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นจะได้รู้แจ้งในอริยสัจจะทำทั้งสี่มีทุกขสั์เป็นต้นดังแสดงมาโดยลำดับนั่นแหละก็นับว่าสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้